ขบวนการหรือลำดับขั้นตอนของการพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจจากระดับปุถุชนขึ้นสู่ระดับพระอริยเจ้าขึ้นสู่ระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามี และพระอาหารหันต์มีลำดับขั้นตอนอยู่สามขั้นตอนตามลำดับดังนี้คือหนึ่งการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัติธรรมสองการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติธรรม และขั้นตอนที่สามคือบรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุเรียกว่าเปรเธรรมปฏิเวทธรรมนี่คือลำดับขั้นตอนของการพัฒนาจิตใจของปุถุชนให้ขึ้นไปสู่ระดับของพระอริยะเจ้า ต้องผ่านสามขั้นตอนนี้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ mm hmm. ดังนั้นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะต้องการพัฒนาจิตใจของตนให้พัฒนาขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลจำเป็นต้องปฏิบัติตามสามขั้นตอนนี้อย่างเคร่งครัด ขั้นตอนที่หนึ่งคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้จะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลเป็นมรรเป็นผลเป็นพระนิพพานขึ้นมาได้จําเป็นต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงต้องมีการฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนสมัยพระพุทธกาลนี้ไม่มีการศึกษาทางด้านหนังสือหนังหาจะมีการศึกษาผ่านจากการได้ยินได้ฟังการศึกษาในสมัยพระพุทธกาลจึงศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมผู้ที่มาฟังเทศฟังธรรมนี้ ท่านเรียกว่าสาวกสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังส่วนอาจารย์ภาษาสดานี้เป็นผู้สอน <Yeah. S 1> การศึกษาในสมัยพระพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เหมือนกันแต่ทางสมัยนี้มีพัฒนาการขึ้น มีสื่อให้ศึกษาเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องไปฟังทำจากพระอาจารย์โดยตรงก็ได้เพราะมีการบันทึกเสียงหรือมีการเขียนเป็นหนังสือของคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆของคำสอนของพระพุทธเจ้าการ ศึกษาปริยัติธรรมในปัจจุบันจึงมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันมีการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งมีการอ่านหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้มีการจารึกบันทึก ไว้ในหนังสือเช่นของพระพุทธเจ้าก็จาวด้วยไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีการบันทึกเสียงใส่ไปในสื่อต่างๆในอดีตก็บันทึกเสียงใส่เทปแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาสื่อให้เป็นแผ่นซีดีแผ่นดีวีดี ที่มีทั้งภาพและมีทั้งเสียงนอกจอากนั้นยังมีสื่อทางโทรทัศน์วิทยุที่กระจายเสียงไปตามสถานที่ต่างๆที่ไหนมีเครื่องรับก็สามารถที่จะรับการกร ะ, ะ, การกระจายเสียงและการกระจายภาพ ได้อน่ดังนั้นการศึกษาในปัจจุบันนี้จึงสามารถศึกษาได้หลายรูปแบบด้วยกันแล้วแต่ความสะดวกของผู้ศึกษาที่จะเลือกศึกษาในรูปแบบไหนก็ได้แต่ก็ต้องศึกษาเพราะผู้ที่จะศึกษานี้ ยังไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไม่ศึกษาและปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดก็จะปฏิบัติไม่ถูกที่เรียกว่าไม่เป็นสุปฏิปันโนปูชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรง ตบัตรปฏิบัติด้วยความถูกต้อง mm hmm. การปฏิบัติถึงต้องการศึกษาจึงต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จริง mm hmm. เห็นจริง mm hmm. ถ้าไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้จริง mm hmm. เห็นจริง mm hmm. ก็จะไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง mm hmm. ถ้านำมาไปปฏิบัติ ก็จะไม่ได้รับผลการศึกษาจึงต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จริ ง, รงเห็นจริ ง, งคือศึกษาจากพระอริยเจ้าโดยตรงถ้าท่านมีชีวิตอยู่ถ้าเราสามารถเข้าไปศึกษาจากท่านได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ศึกษา จากคำสอนของพระอริยเจ้าที่ได้มีการจดบันเทึกเอาไว้ในสื่อต่างๆเช่นหนังสือพระใจปีดกอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาคำสอนของพ่อพระเจ้าโดยตรงหรือศึกษาหลักสูตรนักธรรมต่างๆที่ได้คัดเอาคำสอนของพ่อพทเจ้า มารวบรวมไว้เพื่อให้ศึกษาได้อย่างง่ายดายเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีหน้าบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์การที่เราจะต้องศึกษาทั้งหมดนี้ก็ไม่จำเป็นเพราะคำสอนสองพระพุทธเจ้านี้ มีคำสอนที่คล้ายคลึงกันดังที่ทรงทรงตัดไว้ว่าคำสอนของเราถึงแม้จะมีมากมายก่ายกองก็เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็จะมีรสเหมือนกัน รสของน้ำในมหาสมุทรคืออะไรน้ำในมหาสมุทรรสของน้ำก็คือความเค็มทำคำสอนของตถาคตที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมากก็มีรสชาติอันเดียวกันก็คือรสชาติของความทุกข์และวิธีการดับความทุกข์มีอยู่เพียงเท่านั้น จะอ่านบทไหนก็สอนเรื่องของความทุกข์และเรื่องของการดับความทุกข์แต่ก็ทรงสอนตามขั้นตามลำดับของผู้ฟังมีการสอนดับความทุกข์ระดับเบื้องต้นระดับเบื้องกลางและระดับเบื้องสูงดังนั้น ถ้าจะตั้งอ่านพระไตรปิฎกนี่ก็อาจาจะยากจึงมีครูบาอาจารย์พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รวบรวมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบทสาคัญต่างๆนี่ออกมารวบรวมไว้ใส่ไว้ในหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอก ผู้ใดอยากจะศึกษาพระไตรปิฎกอยากจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพ่อพระเจ้าก็สามารถศึกษาหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกได้ mm. หรือในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีผู้ที่ขวนขวายย่อเอาพระไตรปิฎกเข้ามารวมเป็นหนึ่งเล่มเรียกว่าพระไตรปิฎก ฉบับประชาชนคือเอาหัวข้อต่างๆของพระไตรปิฎกมาบรรจุไว้แต่ไม่ได้รวบรวมคำสอนรายละเอียดทั้งหมดในแต่ละหัวข้อเป็นเหมือนสารบัญให้ผู้สนใจศึกษาได้เปิดดูและเลือกอ่านได้แค่นอยากจะอ่านหัวข้อนี้ ก็เข้าไปค้นหาในหนังสือพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งเพื อ, อยากจะรู้วินัยของพิกษุณีว่ามีอะไรบ้างก็เข้าไปค้นดูได้ในพระไตรปิฎกการศึกษาพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นประโยชน์มากเพราะว่าจะได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง แล้วจะได้ใช้เป็นมาตรฐานวัดคำสอนของพระอาจารย์รูปอื่นเพราะบางทีการศึกษาจากพระไตรปิฎกเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความละเอียดพอเวลาปฏิบัตินี้จะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นที่อาจจะไม่ได้บรรจุไว้ในพระไตรปิฎก หรืออาจจะมีมันจุไว้แต่เราไม่ได้อ่านไม่ได้พบเข้า mm hmm. เวลาเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆ mm hmm. แล้วท่านสอนวิธีการต่างๆในการปฏิบัติเราก็จะได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบหรือว่าคำสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนี้ แตกต่างจากพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์เวลาที่ท่านสอนเราก็ไม่ได้รู้ว่าท่านสอนตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือไม่ดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ศึกษาที่มีความตั้งใจจะศึกษา เราก็ควรที่จะหาเวลามาศึกษาพระคำคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกบ้าง ม, มีพระสูตรสำคัญสำคัญอยู่ไม่กี่พระสูตรที่จะทำให้เราสามารถใช้เป็นมาตรฐานวัดคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆได้เช่น พระธรรมเทศนาพระพระประมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอริยสัจสี่เรื่องมัก8แปดเรื่องของการเด็กเรี่องการปฏิบัติสุดตรงอยู่สองชนิดเรื่องของทางสายกลาง <ul> อันนี้เป็นพระสูตรที่ชาวพุทธเราทุกคน ควรจะทำความเข้าใจทำความรู้จักแล้วก็มีพระอนัตตรคณสูตรสอนให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทำสูงสุดคือความไม่มีตัวตนของสภาวะธรรมทั้งปวงสัตเทธรรมาอนัสตาแล้วก็พระมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นทัศน์ที่จะสอนวิธีการปฏิบัติศีลวิธีปฏิบัติสมาธิและปัญญาวิธีเจริญสติวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาแล้ววิธีพิจารณาทำที่ใจไปเกี่ยวข้องไปยึดติดอยู่ก็คือร่างกาย เวทนาและจิตนี่คืออ่พระสูตรที่สำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะต้องรู้จักวิธีเจริญสติว่าเจริญอย่างไรจะรู้จักวิธีนั่งสมาธิว่าจะต้องนั่งอย่างไรจะรู้จักวิธีพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมา ว่าพิจารณาอย่างไรอันนี้จะมีบรรจุไว้ในมหาสติประฐานสูตรแล้วก็มีมงค ล, ละสูตรก็สูตรที่รวบรวมคำสอนการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูงสุดมีสามสิบแปดข้อด้วยกันมงคลสามสิบแปดถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติ ตามมงคลสามสิบข้อได้ก็<ม>จะสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้<ม>เริ่มต้นด้วยการไม่ให้คบคนทานให้คบบัณฑิต<ม>ให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา<ม>เป็นต้นจนไปถึงขั้นสูงสุดการทำพระนิศานให้แจ้งนี่เป็นเหมือน แผนที่หรือป้ายบอกทางให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่ากำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่งคลละงคลสามสิบแปดข้อนี้ชาวพุทธควรจะรู้จักสติปัฏฐานสูต ร, รต้องรู้จักอนัตตลักษณสูต ร, รปัตมาจักกัปวัตตนสูต ร, รนี่คือธรรมที่ มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกที่เป็นธรรมที่สำคัญต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องส่วนความรู้ต่างๆที่มีบรรจุไว้ในพระปฏิดกก็มีอีกมากมายที่เสริมการปฏิบัติเมื่อเสริมศรัทธาความเข้าใจเช่นประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตชาติต่างๆจนถึงชาติ จ, จุบัน ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็จะทําให้เราได้มีรู้จักวิธีปฏิบัติตามมีตัวอย่างให้เราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านทําอย่างไรท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพวกเราอยากจะเป็นพระอารหันตสาวกเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติหรือ ปฏิบัติหรือศึกษาประวัติของพระสาวกองค์สำคัญต่างๆเช่นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอาโน์เป็นต้นการได้ศึกษาดูจักวิธีการดำเนินชีวิตการปฏิบัติของพระาอราิยาสาวกทั้งหลายก็จะเป็นแบบฉบับให้กับเราได้ลอกเลียนแล้วนำมาปฏิบัติ อย่างนี้จะทำให้การปฏิบัติของเรานี้ง่ายถ้าเราต้องปฏิบัติเองโดยที่ไม่รู้แบบฉบับ<ม>ก็จะยาก<ม>เหมือนกับเวลาที่สอนให้เด็กวาดภาพ<ม>ตอนต้นก็จะมีภาพแล้วให้เด็กทาสีในภาพก่อนต่อมาก็ให้เด็กวาดภาพเอง เบื้องต้นก็ต้องมีตัวอย่างให้เด็กดูเพื่อเด็กดูว่าภาพที่จะต้องวาดเป็นอย่างไรเขาก็จะวาดได้พอเขามีความสามารถวาดภาพได้ต่อไปเขาก็จะสามารถวาดภาพต่างๆที่เขาอยากจะวาดได้นี่คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เนการศึกษาที่เราสามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้ทันทีเลยไม่ต้องรอไปสอบก่อนเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรก่อน<ม>การศึกษานี้เพื่อให้เรารู้แนวทางแล้วเราก็นําไปปฏิบัติได้เลย<ม>และการศึกษานี้ก็ไม่ได้แยกจากการปฏิบัติศึกษาตอนนี้ ตอนที่ฟังเทศฟังธรรมนี้พอรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรก็นำไปปฏิบัติได้เลยเช่ำ mm hmm. สอนขั้นตอนของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนไว้อยู่สามขั้นตอนสําหรับคาววะทุกของเรือน mm hmm. ถ้าเป็นพระภิกษุ mm hmm. ก็ทรงสามสอนสามขั้นตอนเหมือนกันตามจริงของค า, ารวะนีสี่ขั้นตอน แต่มารวมกันเป็นสามขั้นตอนคือขั้นตอนที่สามคือขั้นภาวนาขั้นภาวนานี้ก็แบ่งเป็นสองขั้นตอนคือขั้นสมาธิและขั้นปัญญาเวลาสอนขาวราวะผู้ของเรือนผู้ที่มีเงินทองผู้ที่ยังใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆซื้อ สิ่งต่างๆ ต, ตามความอยากก็สอนให้เลิกใช้เงินทองให้เอาเงินทองที่จะซื้อความอยากต่างๆนี้ไปซื้อบุญแทนไปทาบุญแทนก็จะทาให้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากซื้อของต่างๆได้แต่สำหรับผู้ที่ออกบวชแล้วเป็นพระแล้วเป็นผู้ที่ได้สละเงินทองไปแล้ว ไม่พึ่งเงินทองในการซื้อความสุขต่างๆพระองค์ก็สอนศีลสมาธิปัญญาไปเลยสามขั้นคารวะกสีทานศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าคารวะทุกองเรือนยังติดอยู่กับการหาเงินหาทองกับการใช้เงินใช้ทอง ซื้อความสุขต่างๆดับความทุกข์ต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นการซื้อความดับความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้เป็นการได้ความสุขที่แท้จริงเป็นการได้ชั่วคราวเดียวๆได้ความสุขเดียวๆ ด, ดับความทุกข์ได้เดียวๆแล้วก็กลับมาปรากฏขึ้นมาใหม่ต้องเลิกใช้วิธี ใช้เงินใช้ทองนี่มาสร้างความสุขหรือดับความทุกข์พอสามารถเลิกใช้เงินทองได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่แบบนักบวชได้แต่จะทำได้ก็ต้องมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้า คือจิตใจจะต้องได้รับผลจากการปฏิบัติทางศีลสมาธิปัญญา<ม>พอใจให้ได้เห็นภาพเห็นรถแห่งธรรมที่เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงห<ม>ลวงตาเจ้าทรงตรัสว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงรถทั้งปวงก็คือรถที่เราใช้เงินทองไปซื้อกันนี่เองไปหากันนี่เอง เช่นเราเอาเงินทองไปซื้อรูปเสียงกลิ่นนสดผดทพมาเศษมาสัมผัสอันนี้เป็นนถดทั้งปวงสู้รถที่ได้รับจากการเจริญสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้ถ้าได้ปฏิบัติจนได้พบกับความสงบแล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดศรัทธา จะรู้ว่าวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงจะต้องสร้างด้วยการทําใจให้สงบไม่ได้สร้างด้วยการไปหาเงินทองหาลาบยศสรลเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วก็จะสละลดทั้งปวงได้ยุติการหาเงินหาทอง เพื่อที่จะมาซื้อความสุขชนิดต่างๆที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแล้วจะได้ทุ่มเทเอาเวลามาทุ่มเทให้กับการสร้างรถแห่งธรรมเพื่อความสงบของใจพอสระความสุขของผู้ครองเรือนได้ไม่ต้อง ก็ไม่ต้องทำงานทำการไม่ต้องซื้อความสุขต่างๆเพราะมีความสุขที่ดีกว่าที่สามารถหาได้จากการปฏิบัติก็<ม>จะพุ่งเป้าไปสู่การปฏิบัติสู่การรักษาศีลสู่การเจริญสมาธิรากการเจริญปัญญา นี่คือเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติจะไปไปพร้อมๆกันได้เพราะช่วงที่เราไม่ปฏิบัติเราก็มาศึกษามาทบทวนคำสอนต่างๆที่เราได้ศึกษามาที่เราอาจจะลืมไปหรือที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วตกหล่นไปเราก็กลับมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมใหม่มาทบทวนใหม่ แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติใหม่าการศึกษากับการปฏิบัติที่แท้จริงจะต้องไปเป็นเหมือนเท้าซ้ายเท้าขวาไปผัดกันทำหน้าที่ช่วงที่ปฏิบัติก็ไม่ศึกษาพอช่วงไม่ได้ปฏิบัติก็มาศึกษาเช่นเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนอยู่เป็นระยะระยะ มะครั้งหนึ่งก็อาทิตย์หนึงบ้างท่านก่อนนั้นบ้างนานก่อ น, นั้นบ้างแต่จะมีการอบรมสั่งสอนอยู่เรื่อยๆอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ทรงมีการอบรมสั่งสอนทุกวันเลยทรงสั่งสอนคารวาสในตอนบ่ายสั่งสอนพระภิกษุสามเณรในตอนค่ำมาศึกษา สั่งสอนเทวดาในยามดึกนี่เป็นการสั่งสอนเป็นระยะระยะทรงสอนทุกวันเพราะว่ามีผู้ที่มาศึกษามากายไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มาศึกษาเป็นผู้ที่มาทุกคืนทุกวันก็สลับผัดเปลี่ยนกันมาเหมือนกับยอดโยนที่มาฟังเทศบนเขานี้ ในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีสลับผัดเปลี่ยนกันมามาฟังฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติกันปฏิบัติแล้วพอพอพอลืมไปว่าจะต้องทำอะไรหรืออยากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมก็กลับมาฟังเทศฟังธรรมใหม่การฟังเทศท่านถึงบอกว่ามีอ น, นุสง อยู่หลายประการประการหนึ่งก็คือจะได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะธรรมของอุตะเจ้าก็มีหลากหลายด้วยกันฟังครั้งนี้ก็ได้ฟังไปส่วนหนึ่งเดี๋ยวข้างหน้ากลับมาฟังก็จะได้ฟังอีกส่วนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมีเกณฑ์สองที่จะได้จากการฟังเทศฟังธรรม จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมา่อนส่วนธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้มาฟังเอง ก, ก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลาดับแล้วก็จะช่วยกําจัดความสงสัยต่างๆการปฏิบัติไปนี่มักจะเกิดความสงสัยขึ้นมาเสมอเมื่อเกิดความสงสัยก็ต้องกลับมาฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้ว ความสงสัยนั้นก็จะหายไปจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ผลปฏิบัติอย่างไรถึงจะไม่ได้ผลขั้นตอนของการปฏิบัติ็นอย่างไรต้องปฏิบัติอะไรก่อนต้องปฏิบัติอะไรหลังมีขั้นมีตอนเหมือ น, นกับการทำกับข้าวก็มีขั้นมีตอนเหมือนกัน เหมือนกับจะยกตัวอย่างให้มีชาวต่างประเทศเขาชอบกินข้าวผัดวันหนึ่งเขาเลยคิดจะทำข้าวผัดเองแต่เขาไม่ได้ไปศึกษาวิธีทำข้าวผัดเขาก็เลยเอาเข้าวสารมาผัดเลยเอาเข้าวสารเทเข้าไปในกระทะแล้วก็ใส่เนื้อใส่ผักอะไรต่างๆเข้าไป ผัดยังไงมันก็ไม่ออกมาเหมือนกับข้าวผัดที่เขาเคยไปรับประทานตามร้านอาหารเพราะขั้นตอนของการผัดข้าวผัดมันไม่ถูกนั่นเองการจะผัดข้าวผัดนี้ไม่เอาเข้าวข้าวสารมาผัดเลต้องต้องต้องต้มข้าวให้สุกก่อนแล้วถึงถอยเอาเข้าวสุกนี้มาผัดถึงจะได้ข้าวผัดแต่คนที่ไม่ ได้ศึกษาวิธีการผัดข้าวมาก่อนก็จะผัดไม่ถูกผัดไปตามความรู้สึกนึกคิด<ม>การปฏิบัติก็เหมือนกันสมัยนี้คนชอบปฏิบัติขั้นปัญญากันแต่บางทีขั้นทานก็ไม่ยอมทําหวงเงินหวงทองเสียดายเงินเสียดายทองชิงก็ไม่รักษาให้บริสุทธิ์ เราคิดว่าเป็นเรื่องคิปจอยไม่สาคัญทานก็เป็นเรื่องคิปจยสิงก็เป็นเรื่องคิปจอสมาธิก็เรื่องคลิปจอยไม่สำคัญเท่ากับปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วจะบรรลุธรรมได้เลยเพราะได้ยินได้ฟังว่าเวลาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุธรรมได้เลยแต่ไม่รู้ว่าคนที่เขาฟังธรรมนั้น เขามีอะไรมาหรือไม่อย่างไ ร, รคนที่ฟังธรรมที่บรรลุธรรมนี้เขาทําทานมาหมดแล้วเช่นนักบวชทั้งหลายศีลเขาก็รักษาอย่างบริสุทธิ์สมาธิเขาก็มีเต็มที่จิตรวมเป็นอัปปนาแล้วอพอมาฟังธรรมมาฟังเรื่องของปัญญาก็สามารถเอาปัญญาที่ได้ยินได้ฟังนี้ มากําจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของตนให้หมดไปได้ในขณะที่ฟังเลยก็สามารถบรรลุนักผลนิพพานได้เลยนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะมาใช้ให้กับการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุได้จะต้องมีทานมีศีลมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน ถ้าไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาก็จะเป็นปัญญาที่ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด<ม>เป็นความรู้ท่วมหัวรู้พระไตรปิฎกรู้หมดว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร<ม>แต่ไม่สามารถทำลายตันหาความอยากทาลายกิเลสความโลธความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ไม่สามารถ ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้เพราะเป็นความรู้หรือปัญญาที่ไม่มีการปฏิบัติทานศีลสมาธิเป็นผู้สนับสนุนนั่นเองเหมือนกับการผัดข้าวผัดโดยที่ไม่เอาเข้าวไปผงให้มันสกจะก่อนเอาเข้าวสารมาผัดการใช้ปัญญาก็แบบนั้นใช้ปัญญาโดยที่ไม่มีการ ทำทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจยังโลกอยากได้เงินได้ทองอยากใช้เงินใช้ทองซื้อของต่างๆซื้อความสุขต่างๆศีลก็ยังรักษาไม่บริสุทธิ์บางทีก็ต้องโกหกเพราะอยากจะได้เงินง่ายๆเร็วๆทำมาค้าขายอยากจะได้เงินง่ายๆก็ต้องโกหก หรือต้องโกง <Okay. S 1> ถึงจะได้เงินมา <Okay. S 1> สมาธิก็นั่งไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้ <Okay. S 1> แล้วจะเอาปัญญานี้มาดับกิเลสตัณหานี้ <Okay. S 1> เป็นไปไม่ได้ <Okay. S 1> นี่คือเรื่องของการศึกษาที่สำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติ <Okay. S 1> ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำตลอดทางเลย จนถึงขั้นสุดขั้นสุดท้ายคือการหลุดพ้นเลยถึงจะไม่ต้องมีครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเสมอไปถ้าลองได้เข้าสู่ขั้นแรกได้บรรลุขั้นเท่าโสดาบันแล้วนี้เรียกว่าเห็นทางแล้วรู้จักทางแล้วถึงแม้จะไม่มีคนนำทางก็สามารถที่จะเดินไปเองได้ แต่อาจจะช้าเพราะเวลาถึงทางแยกอาจจะไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนก็อาจจะต้อ ง, ล, งลองไปทางนี้ดูก่อนถ้าทางนี้ไม่ใช่ก็ต้องกลับมาไปอีกทางหนึ่งแต่ก็จะไม่หลงเดินไปพอรู้ว่าไม่ใช่ทางก็จะเลี้ยวกลับกลับมาลองอีกทางหนึ่งแล้วก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยตนเองแต่ จ, จะช้ากว่า ถ้ามีผู้ผู้ที่มีครูบาอาจารย์คอยบอกทางพอมาถึงทางเลี้ยวทางแยกครูบาอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าให้ไปทางนี้อย่าไปทางนี้อพอไปอีกถึงทางแยกหนึ่งท่านก็บอกว่าให้ไปทางนี้อย่าไปทางนั้นอจะคอยบอกเป็นระยะระยะไปอเวลาได้สมาธิแล้วท่านก็บอกว่าอย่าอยู่กับสมาธิ ให้ออกทางปัญญาให้พิจารณาพิจารณาร่างกายพิจารณาอสุภะพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณ า, า, าความเกิดแก่เจ็บตายเพื่อให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาความเจ็บของร่างกายแล้วก็พอพิจารณาแล้วจิตสร้างก็บอกให้หยุดแล้วกลับมาทำสมาธิใหม่ สังทีเวลาได้สมาธิก็จะติดอยู่ที่สมาธิไม่ออกทางปัญญาเวลาออกทางปัญญาแล้วก็ติดอยู่กับทางปัญญาจนกลายเป็นความคลุ้งซ่านไปก็ต้องหยุดพักจิตกับเข้ามาสมาธิมาเติมความสงบให้กับใจมาระ ง, งับความคลุ้งซ่านที่เกิดจากการพิจารณาทางปัญญาเกินขอบเขตพอ กับทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วพอจากสมาธิก็ให้ออกไปพิจารณาทางปัญญาใหม่นี่คือการปฏิบัติรายละเอียดต่างๆที่ผู้ที่ศึกษานี้ยังไม่ได้ปฏิบัตินี้จะไม่เข้าใจแล้วเวลาปฏิบัติแล้วจะต้องติดทุกขั้นเลยทำทานก็ติดขั้นทำทานอยากจะทำทานอย่างเดียวไม่อยากจะรักษาศีล พอรักษาศีลได้ก็ติดอยู่กับการรักษาศีลไม่ไปทางสมาธิต่อไปมันเป็นขั้นๆที่จะต้องปฏิบัติไปต้องเข้าใจว่าการทําทานนี้ก็เป็นขั้นบันไดที่จะพาให้เราไปสู่การรักษาศีลที่บริสุทธิ์เมื่อเรารักษาศีลบริสุทธิ์ได้เราก็ต้องก้าวขึ้นไปสู่การภาวนา ไม่ใช่เอาแต่การรักษาศีลอย่างเดียวให้บ่อยสุดนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปดกันบ่อยสุดแต่ไม่ยอมภาวนาไม่ยอมศึกษาฟังเทศฟังธรรมเอาแต่รักษาศีลอย่างเดียวโลกทำทานก็จะทำทานอย่างเดียวงานกุศลงานกระถินงานท่าป่าที่ไหนไปหมดแต่พอให้ถืออยู่วัดถือศีลแปดก็ไม่เอาอันนี้ต้อง ต้องรู้ว่าการกระทำต่างๆเหล่านี้เป็นขั้นบันไดเหมือนกับการเรียนหนังสือเข้าอนุบาลแล้วพอจบอนุบาลก็ต้องเข้าสู่ชั้นประถมพอจบประถมแล้วก็ต้องขึ้นสู่ชั้นมัธยมนี่การศึกษาที่มันก้าวหน้าก็เพราะมีครูมีอาจารย์คอยต้อนคอยขับคอยไล่ให้ขึ้นไปถ้าเรียนตามความพอใจก็คงจะเรียนแค่ชั้นอนุบาลสบายกว่า ไปอนุบาลนี่มีแต่เล่นมีแต่กินมีแต่นอน<ม>เรียนนิดหน่อยเรียนกอไก่ขอไข่นับหน<ม>ึ่งสองสามก็พอละถึงเวลากินขนมละถึงเวลาเล่นกันละ<ม>ถ้าไม่มีใครมาบังคับให้ขึ้นไปชั้นปฐ ม, มก็จะไม่มีใครอยากจะขึ้น<ม>เรียนอนุบาลกันไปจนวันตาย<ม><ม>อันนี้ก็เหมือนกัน<ม><ม>การปฏิบัติธรรมก็เป็นขั้นๆต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยดึง คอยบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องขึ้นสู่ขั้นนี้แล้วถึงเวลาที่จะต้องขึ้นสู่ขั้นนี้แล้ว<ม>ถ้าไม่ขึ้นมันก็จะไม่ไปมือนกันไม่ก้าวหน้า<ม>นี่คือประโยชน์จากการที่มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนเราถ้าเราไปถึงขั้นพระอริยะบุคคลขั้นแรกแล้วเรารู้จักทางแล้วเรามีแผนที่อยู่ในใจของเราแล้วถ้าเกิดครูบาอาจารย์ของเราตายจากเราไป เราก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติไปด้วยตัวของเราเองได้แต่อาจจะช้าอย่างที่เล่าให้ฟังอาจจะต้องเสียเวลาทดลองผิดทดลองถูกอาจจะรู้ว่าทางนี้ผิดเวลาลองแล้วไม่ได้เรื่องก็รู้ว่าผิดเวลาลองทางนี้ถ้าได้เรื่องก็รู้ว่าถูกเพราะจะวัดกันที่ความสงบความไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากผู้ปฏิบัติ ขันโสดาบันแล้วจะมีเหมือนกับมีเครื่องวัดหรือเครื่องนําทางอย่างสมัยนี้รถยนต์เรามีเครื่องนําทางเครื่อ GPS เนี่ไม่มีคนบอกทางเราก็เปิดเครื่องนี้ดูเอมันก็จะบอกทางว่าเราไปถูกทางหรือไม่ถูกทางดันั้นในขั้นโสดาบันนี้ก็จะได้แผนที่ที่จะพาไปสู่พระนิพพานก็เรียกว่าผู้เข้าสู่กระแส คำว่าโสดาบันนี้มาจากคำว่าโสตะโสตะแปลว่ากระแสกระแสที่จะพาไปสู่พระนิพพานเหมือนกับแม่น้ําที่จะพาเราไปสู่ทะเลต่อไปถ้าเราได้ลงเข้าสู่แม่น้ําแล้วเดี๋ยวเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ได้ออกทะเลอย่างแน่นอนขอให้อยู่ในแม่น้ํานี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปทะเลได้ไดันั้นใดถ้าได้เข้าสู่กระแส ในมีดวงตาเห็นธรรมแล้วธรรมนี้แหละจะพาให้เราไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไป <S <S สำหรับผู้ที่ได้โสดาบันแล้วก็จะปลอดภนะัยแล้วอย่างชา้าก็เพียงเจ็ดชาติก็จะได้ไปถึงพระนิพพานแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็อาจจะถึงพระนิพพานในชาตินี้ได้เลยเช่นพระอาราันตสาวกทั้งหลาย ที่มีพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าก็จะได้รับการาสั่งสอนเป็นระยะระยะคอยดึงคอยบอกให้ไปในทางที่ถูกที่ต้อง<ม>ก็บรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในชาตินี้เลย<ม>แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีครูบาอาจารย์แต่ได้เป็นพระโสดาบันนี้ ก็จะสามารถไปเองได้แต่อาจจะช้าหน่อยเจ็ดชาติเป็นอย่างมากท่านบอกไว้นี่คือเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติที่จะนําไปสู่ปฏิเวทการบรร ล, ผลุผลต่างๆผลต่างๆก็คือเนี่ยพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆพระโสดาบันขั้นที่หนึ่งพระสกิฎาคามีขั้นที่สองพระอนาคามีขั้นที่สาม พระอารหัน์ขั้นที่สี่อันนี้จะเป็นผลที่เกิดจากการได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพาาระอรหันตสาวกก็ดีแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามให้ถูกต้องผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนพระพุทธศาสนาที่จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็จเจริญด้วย กระบวนการสามขั้นตอนนี้แหละคือการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรมถ้าไม่มีไม่มีการทําตามกระบวนการสามขั้นนี้พระพุทธศาสนาก็จะล่มสลายหมดไปต่อไปถ้าเราอยากจะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปนานๆเราก็ต้องมา ศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมกันเมื่อเราบรรลุเราก็จะสามารถสั่งสอนคนอื่นได้ต่อคนอื่นพอได้ฟังจากเราที่รู้จริงเห็นจริงเขาก็จะนําไปปฏิบัติตามและบรรลุธรรมได้ต่อแล้วพอเขาบรรลุธรรมเขาก็เอาไปสั่งสอนผู้อื่นต่อไปนี่แหละคือการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่มีการ ะารทำนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ส่งประกาศพระธรรมคำสอนพอพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนก็มีสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากสาวกเหล่านั้นก็เดินทางไปคนละทิศคนละทางเพื่อ น, นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปสั่งสอนแก่ผู้พอผู้อื่นได้ยินได้ฟังแล้วนำมาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอารหันต์กันแล้วก็ไป สอนผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆนี่คือการเจริญเติบโตและการสรืบทอดของพระพุทธศาสนา ok. ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุต่อไปก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะไม่มีใครที่จะมาสอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้เมื่อไม่มีผู้สอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ผู้ที่เอาไปปฏิบัติก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุถึงผลปรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ต่อไปก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอนังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีซึ่งปัจจุบันนี้ก็เลยมาครึ่งหนึ่งแล้วเราจะวัดได้ว่าศาสนาเราจะเริ่มเสือ่อม อยู่ที่ปริมาณของผู้ที่ศึกษาปฏิบัติและผู้บรรลุธรรม เ, ออเรามีประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนามากในเมืองไทยนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นผู้ที่บอกตัวเองว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาแต่เป็นพูดแบบไหนพูดแต่ชื่อหรือพุพุที่เนื้อพุทธที่เนื้อก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติ ต้องบรรลุธรรมถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธแท้ถ้าเป็นพุทธที่มีแต่ชื่อมีแต่ศรัทธาศึกษาก็ศึกษ า, กกษากเพียงพอหอมปากหอมคอปฏิบัติก็พอหอมปากหอมคอถ้าอย่างนี้ปฏิเวทคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นมาถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีใครที่จะมาเอาคาสอนเอาความรู้ที่ถูกตั้งนี้ มาสอนผู้อื่นต่อไปสมัยนี้มีผู้ปฏิบัติมีผู้ศึกษากันมีจำนวนไม่มากเท่ากับผู้ที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติสมัยเริ่มแรกนี้จะมีผู้ศึกษาปฏิบัติมากกว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติสมัยพระพุทธเจ้านี้ทุกคนเวลามาศึกษาแล้วจะต้องนำไปปฏิบัติกันออกบวชกัน มีพาาาระอรหันต์เกิดขึ้นกันเป็นจำนวนมากแต่สมัยนี้มีผู้ที่ศึกษาน้อยปฏิบัติน้อยจึงมีผู้บรรลุน้อยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่มีใครศึกษาไม่มีใครปฏิบัติเพราะเวลาไปศึกษากับคนที่ไม่รู้จรงิงศึกษาไปบางทีฟังก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ไม่เข้าใจ แล้วจะเอาไปปฏิบัติได้ยังไงแมนเมื่อฟังแล้วไม่รู้ความหมายไม่รู้ว่าสอนอะไรพูดอะไรเพราะผู้สอนเองก็ไม่รู้อาศัยท่องจํามาท่องจํามาแล้วก็เอามาสอนอีกต่อห น, นึง่งการสอนธรรมะนี่ต้องสอนภาษาของคนฟังไม่ใช่สอนในภาษาของคนพูดเพราะว่าคนฟังจะฟังเข้าใจก็ต้องเป็นภาษาของคนฟัง ถ้าเอาภาษาของคนพูดมาสอนเช่นเป็นฝรั่งนามาสอนคนไทยพูดภาษาฝรั่งให้คนไทยฟังสอนอยังไงมันก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าฝรั่งอยากจะสอนคนไทยฝรั่งก็ต้องมาเรียนภาษาไทยแล้วเอาเอาสิ่งที่อยากจะสอนนี่มาสอนในภาษาไทยคนฟังฟังก็จะเข้าใจเหมือนกับหนังสือที่เราที่เขาให้มากับเวลาที่เราซื้อสินค้าต่าง วิธีใช้สินค้าต่างๆนี้เขาจะมีหนังสือมาให้ถึงแม้ว่าสินค้านี้จะผลิตมาจากต่างประเทศเขาก็ต้องมาแปลคำสั่งวิธีใช้สินค้าจากภาษาของประเทศนั้นมาเป็นภาษาของคนไทยเพราะคนใช้เป็นคนใช้ของถ้าเอาภาษาของต่างประเทศมาเอาหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศมาให้คนไทยอ่าน คนไทยก็จะอ่านไม่รู้เรื่องก็จะไม่รู้จักใช้สินค้าให้ได้อย่างถูกต้อง mm hmm. ผู้ที่นำเอาสินค้ามาจากต่างประเทศจึงต้องมาแปลอวิธีใช้สินค้านั้นให้เป็นภาษาไทยก่อนทั mm hmm. นใดการแสดงธรรมก็เหมือนกันถ้าเอาภาษาของพทธเจ้ามาแสดงคิดว่าขังขังจริงอยู่แหละแต่คนฟังฟังไม่รู้เรื่อง mm hmm. มีแต่ภาษาบาลีเต็มไปหมดคนฟังฟังแล้วก็สาธุอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าสาธุกับอะไรเพราะไม่รู้ความหมายความจริงต้องแปลบาลีให้คนฟังเข้าใจว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรฟังฟังแล้วจะได้เข้าใจแล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติแต่สมัยนี้ถ้าฟังพระเทศใบลานี้จะมีภาษาบาลีเต็มไปหมด เพราะท่านก็ท่องมาท่องมาเลืออ่านจากใบลานมาอีกทีเวลาแสดงธรรมด้วยการอ่านใบลานนี้คนอ่านบางทีก็ไม่รู้ความหมายอ่านไปตามหนังสือเท่า น, นั้นเองคนฟังก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันเมื่อไม่รู้ความหมายแล้วจะเอาไปปฏิบัติให้มันถูกต้องได้อย่างไรนี่แหละการฟังธรรมจึงต้องฟังในภาษาที่เราเข้าใจี่ เมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องผลก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนผลนี้เป็นอย่างไรในอดีตสมัยพระพุทธการก็จะเป็นเหมือนกันถ้าเหตุเป็นเหมือนกันเหมือนกับสมัยพระพุทธการปลูกข้าวด้วยข้าวสมัยนี้ถ้าเราข้าวมาปลูกเราก็จะได้ข้าวเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าสมัยพระพุทธการปลูกข้าวได้ข้าวแต่สมัยนี้เราปลูกข้าวแล้วเราไม่ได้ข้าวเราก็ได้ข้าวเหมือนกันฉะนั้นใดถ้ามีการปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาในสมัยพระพุทธการแล้วมีการบรรลุมากผลนิพพานกันถ้าในสมัยปัจจุบันมีการปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาผลคือการบรรลุมากผลนิพพานก็ต้องมีเหมือนกัน ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาเหตุผลนี้ไม่ได้เสือ่อมไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่ต้องเปลี่ยนไปตามการตามเวลาเช่นร่างกายของมนุษย์เราก็าต้องเปลี่ยนไปตามการตามเวลาหรือสิ่งของต่างๆที่เราสร้างกันขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปตามการตามเวลามันก็มีใหม่แล้วก็กลายเป็นเก่าล่าในที่สุดมันก็พัง ไปดูกรุงสุขโขทยัยดูกรุงศรีอยุธยามันก็เสื่อมหมดไปแต่หลักเหตุผลหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมกี่ยุคกี่สมัยพระพุทธเจ้าองค์นี้ตายไปแล้วศาสนาพุทธนี้หายไปแล้วหมดไปแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเกิดมาสอนใหม่ก็สอนหลักเหตุผลอันนี้เหมือนกัน <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เวลามาสอนคําสอนก็จะสอนคําสอนนันเดียวกันสอนให้ทําทานสอนให้รักษาศีลสอนให้เจริญสมาธิสอนให้เจริญปัญญาทุกๆพระองค์แล้วผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันทุกๆพระองค์เหมือนกันดังนั้นเราไม่ต้องมาสงสัยว่าทำกับพระพุทธเจ้าเสื่อมไปด้วยอย่างหมดประสิทธิภาพไปแล้วหรืออย่างไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นครูคอยสอน เราจะสามารถบรรลุได้หรือไม่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีพระอาหารหันตสาวกที่ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปัญหาอยู่ที่ตัวเราว่าเรามีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่หรือไม่เรามีความเพียรที่แก่กล้าหรือไม่ ถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรเราก็จะสามารถปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาได้เมื่อเราปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นอย่างเต็มที่ผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องกลับมาที่ตัวเราดูว่าเรามีศรัทธามีความเพียรที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ เมื่ออ่านแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าเราทำได้ผลก็จะต้องปรากฏอย่างแน่นอนปฏิเวทก็คือการบรรลุธรรมตัรยญาตปฏิบัติปฏิเวทนี่นี่คือกระบวนการของการพัฒนาจิตใจจากบุตุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไม่มีทางอื่นทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นก็ คิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรยะท้ า, ทาวไรวาหาปุราปริปุเรนติสัรลงเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิตจตุ สัพเพปุไรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิจโตเตระโสยธาสัพพิเตโยวิวัจจานโตสัพพารโควินัสสตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกภาวะ อาพิวาธานสีฤิธานิจังวุธาปจายโนจตาโรโธรร ม, มวัทานติอายุวันโนสุขังภ า, า, าลังลำดับต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความ สงสัยอยากจะถามคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเนะี่ยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟ น, ลนแล้วก็จะไม่ขอตอบคำถามอีกต่อไปตอนนี้มีโอกาสได้ถามได้อย่างเต็มที่นี่มลหลวงพ่อไปนั่งก่อนได้ไหมตอนนี้ไม่สะดวกที่จะเข้ามาตรงนี้หลวงพี่ไปนั่งก่อนนะที่นั่งก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณอนัตตาดิฉันได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังมาสามปีติดตามคําสอนของพระอาจารย์และนําไปปฏิบัติเสมอจากคําสอนที่ว่าเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องย่อมรู้ด้วยตัวเองว่าดีขึ้นอย่างไรมันไม่ปรุงแต่งสังขารอยู่เรียบๆไม่กินมื้อเย็นนอนเสื่อบางๆนั่งสมาธิพิจรารณาธรรมทุกวัน วันหนึ่งได้ไปอยู่ในหมู่เพื่อนๆที่อยู่แบบโลกๆมีลินทามีการเพ่งโทษคนอื่นเราก็จะความรู้สึกได้ว่าจิตเรานิ่งไม่ยินดียินร้ายอย่างเป็นธรรมชาติมากแค่รู้รู้อยู่เท่านั้นมีสมาธิตั้งมั่นมากไม่กลัวว่าจะเผลอไปพูดแบบคนทั่วไปจากสภาวะนี้ได้ขมวดเข้ามาตอนน่สมาธิ ว่าแค่รู้ว่ามีการหายใจเข้าออกนะไม่ต้องภาคใดๆทุกวันนี้เวลานั่งสมาธิก็ใช้พุทธโธไม่กี่นาทีก็จะสงบแล้วแค่รู้รู้สิ่งที่เข้ามาให้รู้เหมือนว่าลมหายใจก็ไม่ได้กําหนดรู้ค่ะมันรู้เองเหมือนว่าสมาธิไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนเก่าแต่เรารู้เท่าทันภาษะและพิจารณาไตรลักษณ์ได้บ่อยๆ ซึ่งในจิตเรื่องของสมมุติก่อเกิดทุกอย่างไรอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะว่าที่เป็นอยู่นี้ควรทําอย่างไรต่อไปมีสิ่งใดที่ควรทําเพิ่มเติมค่ะก็ลองอยู่แบบไม่มีอะไรดูไปอยู่คนเดียวอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบภาพปฏิบัติอยู่กันในปานใ่าในเขาไม่มีอะไรมาเป็น เครื่องบำรุงบำเลอจิตใจนอกจากความสงบเพียงอย่างเดียวไม่มีญาติสนิทมิสหายไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีทิดาไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีอะไรทั้งหมดให้อยู่กับความว่างได้หรือเปล่านั่นคือเป้าหมายที่สูงสุดนิบานังประมังสุญญงนิพพานก็คือความว่าง ความว่างก็คือจิตว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสมมุติทั้งปวงว่างจากราบยศสรรเสริญว่างจากาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระต้องลองไปดูฝึกอยู่ว่างๆคนเดียวไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขให้มีความสุขในตัวของตนเอง ให้มีความสุขอยู่กับความว่างนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงนิบานังปรมังสุญญ์นิบานังปรมังสุขขังความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เกิดจากความว่างนี้เองคำถามจากคุณจารวีจะทราบได้อย่างไรว่าการทำวิปัสสนาฌานใดจะตรงกับจริตของตนเองคะ ทำแล้วใจสงบใจไม่ครุ้งซ่างก็ถูกกับเจริญคาถามคําถามจะคุณสรท่านเราจะสอนใจเราอย่างไรให้รักในการปฏิบัติธรรมครับก็สอนว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันเราเดินเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายเข้าไปทุกวันถ้าเราไม่รีบปฏิบัติตอนนี้ เดี๋ยวเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติคําถามจากคุณกระโหนพรมีเพื่อนพี่สาวเขาพูดทํานองว่าปกติเขาเบื่อเบื่อเมื่อเขาดื่มเหล้าเขารู้สึกตื่นกระฉับกระเฉงร่าเริงมากเขาไม่เห็นว่าเกิดการดื่มเหล้าไม่ดีตรงไหนดิฉันพยายามบอกเขาว่าการดื่มเหล้าทําให้คนขาดสติแต่เขาแย้งว่าไม่จริง เขาดื่มเหล้าแล้วตื่นตัวคล่องแคล่วอิชันจึงคิดไม่ออกว่าการดื่มเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีอย่างไรอิฉันจึงอยากให้พระอาจารย์อธิบายคุณและโทษของการเสพของมึนเมาค่ะการดื่มเหล้ามันดีดื่มแล้วมันสุขที่มันไม่ดีเพราะตอนที่มันดื่มไม่ได้มันไม่มีดื่มตอนนั้นต่างหากที่มันจะทุกข์ลองอยากจะดูโทษของการ การดื่มเหล้าก็ลองหยุดดื่มเหล้าดูแล้วดูซิว่ามันจะสุกไหมคำถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆที่พอจะรู้และเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนิพานหรือการที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกบ้างบางคนแต่ก็บอกกันว่ารู้แต่ไม่ต้องการเพราะยังไม่สามารถทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ก็คือการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะ อย่างบทกวีจิตกรรมหรืองานปั้นแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมไปด้วยสร้างสรรงานศิลไปด้วยจะมีโอกาสเข้าถึงนิพพานได้ไหมครับมันเป็นคนละทางกันทางโลกกับทางธรรมนี้ถ้าอยู่ในระดับธรรทานรักษาสีหน้าก็ไปด้วยกันได้เช่นถ้าเราอยากจะมีงานศิลอะไร แล้วเราก็ได้รายได้มาจากการศีลแล้วก็เอาไปทาทานสงฆ์คนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเราก็รักษาสีนหน้าไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมันก็ไปด้วยกันได้ถ้าทำในระดับทานกับศีลห้าแต่ถ้าเข้าสู่ศีลศีลแปดเข้าสู่การภาวนานี่มันจะไปคนละทางแล้ว ดัง น, นั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องการทําระดับไหนถ้าเราต้องการเพียงทําบุญทําทานดความเมตตาสงสารผู้อื่นไม่ชอบเดียดเบียนไม่ชอบรังแกคนอื่นทํานี้ก็สามารถที่จะอยู่กับโลกได้ข้อสองถ้าผลงานที่สร้างสารรค์นั้นต้องการสื่อแสดงเรื่องของไตรลักษณ์การเกิดดับ ความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงอสุภะหรือแสดงถึงสภาวะธรรมอื่นๆสามารถใช้ภาพวาดหรือรูปปั้นเป็นภาษาและถือว่าเป็นการแสดงธรรมหรือเปล่าครับอถ้ามันเป็นธรรมมันก็ต้องแสดงให้กับตัวเราก่อนเนี่ยถ้ามันไปนแสดงให้คนอื่นก็แสดงว่ามันยังไม่เป็นธรรมเพราะว่าธรรมที่เราแสดงออกมานี้มันต้องมากําจัดปัญหากิเลส ข, ของเราให้ได้ก่อน ก่อนที่เราจะเอาไปแสดงให้คนอื่นเขาฟังให้เขาเอาไปกาจัดเหมือนกับเราผลิตยาออกมาแล้วเรายังไม่ทดลองด้วยตัวเราเองแล้วเราจะไปขายประกาศสรรพคุณว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็พูดไม่ได้เต็มปากอยู่ดีเพราะเราไม่รู้ว่ายานี้มันรักษาได้อย่างที่เราพูดหรือเปล่าแต่ถ้าเราลองเอาอยานี้มารับประทานแล้วสามารถรักษาโรคภัยที่เราเป็นอยู่ให้หายได้ทีนี้เราก็จะเอาไป ขายไปแจกให้คนอื่นเราก็พูดได้อย่างเต็มปากพูดด้ความมั่นใจว่าเอาไปเลยใช้ได้เลยกินได้เลยหายเลยแต่ถ้าเราเอาความไม่เที่ยงไปสอนคนอื่นทั้งๆ ท, ท, ที่เรายังไม่สามารถสอนตัวเราเองให้เห็นความไม่เที่ยงได้แล้วเราจะไปสอนอย่างไรเราเรายังไม่เชื่อในตัวของเราเองเลย ว, ว่าความไม่เที่ยงนี้มันมันมันสอนเราได้ แ้าเราจะเอาความไม่เที่ยงนี้ไปสอนคนอื่นได้อย่างไรสอนตัวเราเองก่อนสิเห็นโทษของความไม่เที่ยงแล้วปล่อยวางสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของอาราบยศสา ร, รเสริญสุขว่ามันไม่เที่ยงมันเสื่อมจเจริญแล้วก็มีเสื่อมได้พระองค์ก็เลยลระลราบยศสารเสิญสุขไปแล้วก็มาสอนได้สอนคนอื่นได้เพราะตนเองทาได้แล้วนี่เรายังทาไม่ได้เรายังติดอยู่กับราบยศสารเสิญสุข แล้วเราก็มัวไปวาดภาพออกสุภาวาดภาพความไม่เที่ยงไปสอนคนอื่นคนหนึ่งเขาดูแล้วเขาก็โหล่เลเปล่าๆข้อสามในขณะที่ปฏิบัติงานเกิดจิตจดจอ่อไม่มีความอยากไม่หิวไม่ง่วงบางครั้งไม่กินไม่นอนเป็นวันสองวันอาการอย่างนี้ใช่สมาธิไหมครับและเป็นสมาธิระดับไหนครับก็ระดับที่เป็นอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันเป็นระดับไหน คำทานหมดแล้วเลยอย่าไปติดชื่อเลยเอาเอาตัวมันดีกว่าเอาเนื้อมันดีกว่ากินผลไมกที่เราไม่รู้จักชื่อไม่สำคัญถ้ามันอร่อยก็กินมันเข้าไปถ้ามันไม่อร่อยก็โยนทิ้งไปไม่ต้องไปสนใจไปถามว่าชื่อมันชื่ออะไรหรอกไม่มีใครอยากจะถามอะไรอีกแล้ว ออ่่าาามงนี้จะเรียนสอบถามว่าเวลาปฏิบัติจะง่วงนอนมากไหมคะจะมีวิธีการแก้อย่างไงคะก็มีวิสองสองวิธีด้วยการวิธีหนึ่งก็ไปอยู่ที่มันน่ากลัวเออเวลาหน้ากลัวแล้วมันจะนอนไม่หลับมันจะไม่ง่วงนอนสองก็ให้การลดการบริโภคบริโภคอาหารลงเอ เช่นผู้ปฏิบัติท่านก็แนะนำว่าอย่างน้อยก็ต้องถือศีลแปดต้องไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้าถือศีลแต่แล้วยังง่วงอยู่ก็ต้องลดปริมาณอาหารลงอีกสองมื้อก็ลดเหลือมือเดียวแต่มือเดียวยังง่วงก็อดไปสักวันสองวันนี่เท่านั้นเดี๋ยวไม่มีแล้วนะอืม อทางนี้มีอ่กอากาบเรียนถามพระอาจารย์ครับคือตอนที่เรากําหนดสติอ่ากําหนดพุทโอะครับผมคือปกติถ้าเรานั่งสมาธิอยู่หรือหรือถ้าเกิดเรานั่งนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยครับเราหายใจเข้าพอเรากําหนดตามว่าหายใจเข้าเรานึกว่าพุทหายใจออกก็คิดว่าโออันนี้คือมันเป็นการบริกรรมที่ผิดหรือเปล่าครับคือไม่ผิดหรอกใช้ได้ บางคนก็ไม่ต้องใช้ก็ได้บางคนดูเฉยๆก็ได้บางคนดูเฉยๆแล้วยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ใช้พุทโธช่วยกำกับดึงเอาไว้ีทีหนึ่งแล้วแต่จริตของแต่ละคนว่าเราจะใช้แบบไหนดีนแบบไหนใช้แล้วใจสงบก็ใช้แบบนั้นไปครับเราใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมครับก็อย่างที่พูดเนี่ยใช้แล้วมันสงบก็ใช้ได้ถ้าใช้แล้วไม่สงบก็อาจจะใช้ไม่ได้ กอล้ครับ อ, อาจารย์นักการระ้ใาใจค่ะเวลานั่งสมาธิปวดใจปวดใๆเวลานั่งสมาธิผ่องพุทโธจิตเรานึกจิตเรานึกอยู่ที่พุทโธใช่ไหมคะอืมออแต่นี้ใจชอบไหลก็ต้องดึงกลับมาที่พุทโธหรือว่าถ้ามัน แข่งกันก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุทโธอย่างเดียวใจจะไหลไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทโธแข่งกันไปอตอนนี้เหมือนกับกิเลสกับธรรมมันแข่งกันกิเลสยังมีกําลังมากมันอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็อย่าไปสนใจมันเราพยายามสร้างธรรมขึ้นมาสร้างพุทโธขึ้นมาเกาะติดอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอันนี้ มากจะเกิดขึ้นสำหรับผู้เพิ่งเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเพราะกำลังของสติมีกำลังน้อยมากกำลังของความคิดความไหลของใจมันมีมากกว่าก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันอย่าไปสนใจอย่าไปอยากให้มันหยุดเพราะมันจะทําให้เราเครียดให้เราพยายามสร้างพุโทโธขึ้นมาแข่งกับมันให้กเกาะติดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ ให้ใจรู้อยู่ที่พุทโธต้องท่องด้วยต้องท่องคำว่าพุทโธพุทโธขึ้นมาตอนที่ดีก็คือคนรจะทำก่อนที่เรามานั่งทำทั้งวันเลยตอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธอาบน้ำไปพุทโธพุทโธล้างหน้าไปพุทโธพุทโธแต่งแตงตัวไปให้อยู่กับพุทโธให้มากๆ แล้วต่อไปพุทโธจะมีกําลังดึงใจไว้ไม่ให้ไหลไปกับเรื่องราวต่างๆแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามาทําแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิมันจะมีกําลังน้อยเวลาที่จะสร้างมันขึ้นมามีน้อยต้องใช้เวลาอื่นนอกจากเวลานั่งเราสามารถพุทโธได้ทั้งวันเลยนอกจากเวลาที่เราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆแล้วก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราว พอเราไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องการงานแล้วก็กลับมาท่องพุโทโธต่อไปถ้าใจไม่คิดเราก็หยุดท่องพุโทโธได้ท่องเพื่อให้มันหยุดคิดถ้ามันหยุดคิดเราก็รู้รู้เฉยเฉยรู้ไปรู้สักแต่ว่ารู้ไปเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่ารู้พอมันไปปรุงแต่งเราก็หยุดมันใจพุโทโธหยุดมันไปขอบคุณ หมดแล้วใช่ไหมั้าหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ